วัดโกมุตรับบุญหลังจากที่หลวงตากลับอุดรไปแล้วอ่อนมีความรู้สึกอยากทำบุญที่วัดโกมุรจึงแวะไปที่วัดอ่อนจดไว้ว่าเป็นวันที่22เมษายนพศ2541เลยวันสงกรานต์มาไม่กี่วันอากาศกำลังร้อนจัดอ่อนไปถึงวัดเวลาราวบ่ายโมงครึง่งพี่ตึงจอดรถที่หน้าโบสถ์ที่กาลังก่อสร้าง อ่อนก็ลงจากรถพอเท้าเหยียบลงถึงพื้นเท่านั้นอ่อนคนลุกไปทั้งตัวขนหัวลุกจนรู้สึกได้อ่อนไม่ได้กลัวเพราะเป็นเวลากลางวันแต่ถ้ากลางคืนก็ไม่แน่ความรู้สึกขนาดนั้นต่อให้ใจแข็งอย่างไรก็อาจจะต้องถอยหนีเหมือนกันอ่อนเข้าไปกราบหลวงพ่อที่วัดลอให้ท่านฟังถึงเรื่องที่เห็นเพื่อความแน่ใจว่าเห็นจริงหรือไม่หลวงพ่อถามอ่อนว่า เห็นเป็นลักษณะอย่างไรนั่งหรือนอนอ่อนเล่าให้ท่านฟังว่าที่เห็นเป็นท่านอนท่านบอกว่าบางคนเห็นในท่านั่งแล้วแต่ใครจะเห็นเปรตตนนี้เป็นคนที่อยู่ในวัดมาก่อนสมัยเป็นมนุษย์ทำตัวไม่ดีพอตายไปจึงต้องใช้กรรมอย่างที่โยมเห็นเนี้ยมันเป็นเวียนเป็นกรรมผู้ที่ทำไม่ดีต่อพระพุทธศาสนายอมได้รับผลกรรมของการกระทาเช่นเปรตที่วัดโกมุตนี้ หลวงพ่อยังพูดกับอ่อนอีกว่ามีคนเห็นเปรตไม่มากนานๆนนจะมีคนมาเล่าให้ฟังโยมีบุญมากนะที่เห็นสิ่งเหล่านี้คงจะรู้ว่าต้นบุญอยู่ที่ไหนกระมังจึงปรากฏตัวให้เห็นมันยากที่จะให้ใครต่อใครได้เห็นจากนั้นอ่อนก็กราบลาท่านระหว่างทางจากโบสถ์ไปถึงรถ อ่อนก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้เขาอ่อนคนลุกไปทั้งตัวด้วยความปีติตลอดทางกลับบ้านวันใดที่อ่อนผ่านวัดโกมุตอ่อนจะต้องยกมือประนมแล้วแผ่เมตตาอุทิศให้เปรตทุกครั้งใครที่มีโอกาสผ่านทั้งวัดนี้กรุณาสงเคราะห์เขาด้วยแผ่เมตตาและอุทิศบุญบา ร, รมีของเราให้เขาด้วยเขาคงคอยรอรับบุญของทุกคนที่แผ่เมตตาให้เขาเขาคงต้องอยู่ที่วัดนี้อีกนาน ออนอยากให้ทุกคนที่ทราบเรื่องนี้ช่วยเขาด้วยจะได้ส่งเขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นเขาจะได้หมดเวรหมดกรรมเร็วขึ้นกว่าเดิมได้พ้นจากความทุกข์ทรมานที่ถูกจองจำเพราะความผิดที่ทำไว้อ่อนเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าปากของเปรตเล็กเท่ารูเข็มกินอะไรก็ไม่ได้น่ แ, ะแตะร้องโหยหวนแต่เปรตที่วัดโกมุตนี้อ่อนเห็นทั้งจมูกและปากใหญ่โตมโหฬารา เปรตคงมีหลายประเภทและแต่ความผิดที่กระทำกระมังนึือถึงเรื่องนี้ทีไรอ่อนใจหายทุกทีรู้สึกเป็นห่วงนักการเมืองผู้มีอำนาจมีอิทธิพลหรือแม้แต่คนบางจำพวกที่ได้เคยกล่าวตาหนิและว่ากล่าวหลวงตาอย่างที่คงทราบกันอยู่โดยเฉพาะที่ลูกศิษย์วัดเคยได้ยินได้ว่ากล่าวท่านอย่างสเสีย ห, หายทั้งทางหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ลืมความเมตตาที่ท่านเคยให้ ไม่เคยคิดกลับตัวกลับใจให้ถูกทำสิ่งที่หละหลายคนทำกับท่านไว้วิบากกรรมกำลังตามมาก็คงเห็นกันแล้วและต่อไปจะเป็นอย่างไรก็คงไม่ต้องอธิบายมากในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าคนที่ผ่านไปมาที่สวนแสงธรรมหรือที่วัดป่าบ้านตาดก็คงจะได้เห็นพูดผีหรือเปรตของคนจำพวกนี้ อ่อนคิดว่าคงมีมากมายมารอคอยขอส่วนบุญอยู่แต่เถวหน้าวัดก็ไม่รู้ว่าจะมีคนแผ่เมตตาให้หรือไม่เปรตเนี่ยอายุยืนยาวมากขึ้นอยู่กับเวรกับกรรมอาจจะอยู่เป็นพันพันปีเลยก็ได้เช่นเดียวกับพวกเทพเทวดาแต่อยู่ต่างพบต่างภูมิกันพวกนักการเมืองที่ได้กระทําผิดต่อพระบูรพา j a n ที่เป็นพระอริยสงฆ์ ก็คงจะเป็นเปรตประเภทที่มีปากเล็กเท่ารูเข็มก็เป็นได้เพราะตอนเป็นมนุษย์เคยปากไม่ดีว่ากล่าวท่านอ่อนไม่อยากนึกถึงผลกรรมของคนเหล่านี้เลยน่ากลัวที่สุดกรรมกำลังส่งผลแล้วให้ดูเอาเองเราก็กำลังเห็นอยู่บ้างแล้ว